าหนาวจังข้าว่ารนะ้อนนะแ่อามาศรนาว่าหนาว่าเว้าเท่าอยู่รัศของคนเกี่ย <c oughs> วกันเราไปดีวันธทรมเรื่องต้น เฉลี่ยงงั้นกับอนุบาลยกมือสร้างจังหวะเิลี่ยงว่าจะต้องเริ่มต้นมาจากนี่ก่อนนั่นต้องมีเริ่มต้นข้านตอนที่ยิ่สุดเหมืก็เราเรียนตนังสือก่อไก่ขอไข่ไปก่อนจะไม่พร้อมที่จะ <c oughs> เรีน ห, หนักใจกว่าดังท่องหนังสือเรียนหลักสูตรก็ท่อ ง, อง น, งนวะโภว่าที่ไในวันยวหยัดอาศาสรรคแก่จางให้เสยสีส่กรณีจิตสี่ปัจจัยเครื่องเอิบใสของบำบัดคิดเรื่องนี้เฉยมีสี่อย่างโทษที่เกิดปกครองมื่งเอิบเด็กข้อที่พุญเจ้าของลำเรียกว่าอาบับปาง อาบัดนัางบ้าโดยที่ไม่จริงจางคือบ้าไปไม่รู้เรื่อง <c oughs> ตอนที่ก็อ้างว่าเอ้ยไม่รู้จะเตรียมทำอะไรเราต้องไปทำมาหาจิทยาลสังฆราชคนเดียวเท่านั้นะว่าต้องจัดเป็นเจ้าคุณ อะไรที่ไหนก็จะต้องประกอบปัญหาในชีวิตนะอย่าควาคิดมาแสกแชร์คิดไม่ใส่ใจไม่ตาวเรียงไม่สำเร็จว่าแต่ปากใจไม่ลำนำลำดับลำนำคิดไปที่ตกวิจารณแปลงเยื่อนต่างๆมันก็ทำอะไรไม่สำเร็จ แน่ใจะจะทำอะไรก็ตามเพราะยังมีอะไรแทรกแซงอยู่ดังนั้นก็เป็นอนุบาตลตรอดเวลาเรามีจฉีไปก็ไปโน่นไปนี่เฉทโน่นเฉนี่รู้เขื่เข้าเหยืย่อเชื่ออกในความรู้สึกตัวเจตนาบ้างในความไม่เจตนาบ้าง ไม่ไม่เริ่มต้วดจิตก็เลยเป็นการตานุบางกันอยู่ใายข้ามชั้นให้่านเห็นเลยค็อดีเวลาเราปฏิบัติใส่ใจสักหน่อยตรงที่มันบรรจงก็บรรจงไปสักหน่อยให้มัน เป็นนิสัยช่นหน่อยต้องเลยบรรจ ง, รงลงไปมันจะเป็นนิสัแม่ยำแคกเกินเมื่อเริ่มต้นดีแล้วก็ทมกลางดีที่สุดแล้วก็ดีไปง่ายไปอย่ามีศีลต่ไมีเชื่อธระเมื่อมีศีลมันจะมีสมาธิมีธรรมญามันก็ต่อไปเป็นลมดับดาการเฉลิมชิติ ทีแรกก็รก่ให้มีสติไปในกายไปในกายเคลื่อนไหวอย่าต้องไปยุ่งกับความคิดเหตุผลัใดๆให้เอาเรื่องง่ายๆไปก่อนใครก็รู้ไม่รู้ยังไงกายมันเคลื่อนไหวใครก็รู้นี่แหละมันจาเป็นอย่าไปรวบรับ ไม่รู้กร่รนมันก็ไม่ใช่หรอกเนี่ยต้องรู้อยู่นี่ น, นี่ก็เป็นความเพียนแต่เรามาศึกษาจริงๆเนี่ยก็เป็นความสาคัญตั้งใหตั้งไม่ ไ, มได้ก็ไม่ไม่หนักนยเหมือนต้นกล้าเทพวางไปในดินไม่ตั้งให้ติดมันก็ ให้งอให่างามได้โดยจังมีเจตมาลงไปสิบสี่จังหวะนั่นกู้ทุกจังหวะดําดับไปให้มันลู่ชัดเจนลงไปมันก็มีอยู่จริงแปลว่าความลูกก็มีอยู่จริงการเคลื่อนไหวสิบจังหวะก็มีอยู่จริง นั่งจิตใจไม่ได้อย่างแน่นยัง่งมันก็จะเป็นไม่ได้เจต น, นามันเป็นไปเองนั่นก็จึงค่อยไปยุ่งกับความคิดยังมีพลังพอที่จะวัดเปลี่ยนกับความคิดให้มั น, นมันยิ่งใหญ่กว่ากายที่มันเคลื่อนไหว <c oughs> แต่ถ้าไม่รู้ที่กายเบื้อต้นจะก่อนมันไปสู้กับความคิดมันสู้ไม่ตาตั้งไม่ติดตั้งไม่ติดถ้ามีความรู้เบื้อต้นที่มันมีความรู้สึกไปในกายแม่นยำเช็ดเกลี่ยดีแล้วมันก็ไปเห็นความคิดเรื่องความคิดเรื่องอ ง, ง่ายๆไม่เหมือนกาย การเคลื่อนไหวจากความคิดมนันสะอาดสะดวกกวัวการเคลื่อนไหวของกายดูการเคลื่อนไหวของจิตที่มันคิดง่ายที่สุดลระเดียมันคิดทีใดก็มาพ้อง ก, กับความรู้ไม่ได้คิดโดดๆเดี่ยวๆ เ, เพราะเรามีความรู้เป็นเพื่อนฐานอยู่แล้วแต่วันคิดี่มากรู้ จากความคิดก็มีหลายอยา่างเดินความสุขความทุกข์เดียวเมื่อไปถึงงมน้ดดนเรลู่เชก่อนถ้าปล่อยมันคิดมันก็ไม่จะหยู่ที่ความคิดมันไปไกลเห็นความสูกถึงความทุกข์ควมพอใจความไม่พอใจการกินเรื่องอะไรต่งตางๆไป การเมลาคะปฏิคะมาหน้าทิพย์วิตกวิจารไปต่างต่างตัวนี้ที่มันเคยเินอยาจะรุนแรงกว่ากองรู้ที่มาตั้งต้นใหม่ไเพียงขอต่อพลังงานที่ไปสู้กันได้เราจะเพียงขยับชารกจกองรู้จิตวัวไปในกายเราบ้ากก่อน มันเราโทษย้ำหลักสูตรเราเรียนอะไรต้อ ง, ท, งท่องหลักสูตรเมื่อมีสูตรมันก็ประกอบกับเหตุการณ์ต่างๆได้มันนีไม่พ้นจากสูตรสูตรมันคือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรม มีสติรู้ทั้งหมดทั้งสี่สี่ด่านไม่หลงสี่ด่านนี้ไม่หลงกายไม่หลงเวทนาที่มันเกิดจากกายไม่หลงความคิดไม่หลงธรรมแล้วเป็นสูตรไปมันจะบอกไปสูตรเป็นบอกเฉลยได้เมื่อเรื่จากสูตรหรอกการเลยสูตร จะนี่เรียกว่าสัตว์วาการสัตว์วากาเวทนาสัตว์วาร์เวทนาผิ่เขาสัตว์วาจิตธรรมสัตววาธรรมเข้าเป็นรูปเป็นนามตามควาเป็นจริงเห็นาการของงูเห็นาการของนามมันเลื่อนชันแต่ก่อนเป็นสุขเป็นทุกข์พอเห็นรูปเห็นนามมันต้องเรียกว่าสุขมัต้องเรียกว่าทุกข์เป็นอาการ เมื่อเป็นอาการการเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขทุกๆแล้วก็เหมือนกับจะไม่มีอะไรมันได้กลวงฉลาดใช่วหมครับว่าอาการมันฉลาดแล้วมันละอากุศนแล้วมันเป็นกุศลแล้วโทนแล้วตัดแล้วไม่มีเชื่อ เราว่าอาการคือไม่มีเชื่อไม่มีอะไรที่จะต้องงอกงามบนนั้นเขาว่าอาจจะอาการเนี่ยเขาว่าสุขวรรคยังมีสิ่งที่งอกงามอยู่มีความอยากมีความรักมีความทังมีความผิดความถูกก็เรียกว่าสุขวรรคจะมีความโชคมีความไม่โอคมีความพอใจไม่พอใจอยู่ เมื่อมีความพอใจในความไม่พอใจก็มีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นน่าถ้าเห็นเป่ีอกการเนี่จริงเหล่านี้จะไม่มีมันก็ไม่มีอะไรที่มันต้องได้เพ้าว่าอากาศจให้เกิดความสุขเกิดความทุกเกิดความพอใจ้งอยู่บนอากาศนะแหก็บบกเหมือนคนเล่าหลักสูตร ดังเขาถามว่าเองถามว่าโจ์ว่าปฏิบัติไม่ผิดคือปฏิบัติอย่างไรล้วก็เรียนมาแล้วการปฏิบัติไม่ผิดจะต้องปฏิบัติเอย่างไรก็ อ, อินทร์สีสมหวนสมหวงอินทร์ ตาหูจมูกรีงกันเจริญไม่ดีร่างหนึ่งเลยเห็นรูปถ้าตอบป็นลำหลักสูตรหมายถึงเรามีสติังนั้นเละตั้งเสียงตองกินเรียนรถถู้ตรงต้องปฏบัติาอารมณ์ที่มาถกทบกับใจตาลกความเทียตั้งมั่นอยูส่สมอรู้จะประมาณในการใช้ชีวิต นี่คือปฏิบัติไม่ผิดมันก็ยังพุทประโยชน์หลักสูตรสูตทของเราได้แล้วกายสั่วกาเวทนาสัตว่าเวทนาจิตชัวกาจิตทำสมสวธรรำแค่ตรงนี้ทั้งหมดมันผ่นานตัว น, นี้ได้เมื่อมันติดขัดก็ทานตนนัวนี้สังกัดเหมือนก็เราที่ <c oughs> ต้นสังกัด มีสมราวัติเยียนบ้านมีหนังสือสุทธิไปบัตรประชาชนน้องให้ต้นสองกัดอ้างสิทธิเป็นคนไทย 100% ยเปอร์เซ็นเป็นนักบวดร้อยเปอร์เซ็ิชาอาจารย์มีพ่อมีแม่บ้านได้ที่อ้างได้ไม่มีสิ่งขวางกัน้นกับขำเราได้ เมื่อห้างทังกายสวากายเวชนาจากว่าเวทนากิจช่วจิททำสวัสดิ์รมไม่มีอะไรของกันได้เห็นเป็นรูปเป็นนามยิ่งมีสัตวีสีโบกมือเลยปุ่ยปอยอะไรทั้งเป็นอย่างนั้นน้นตาเคยเถูกต้มหัวจดียจับ เรา coming h e r เรา coming h ก r e for บอกว่าไปไปไตำรวจใหญ่ในสถานีตำรวจเขาบอกวตรวจถึงปล่อยปล่อยปลอยไลรก็ให้เปิดประตูให้ขี้มือให้เราออกไปจากห้องเราก็ยังไม่ไปเขาบอกว่าต้องไปส่งเราส รามาทางไหนทางหงที่ไหนต้องพาลงไปส่งแต่ให้กำรวาตามะประส่งมานก็ยอมละลานี่ธรรมาช า, าชาธรร ม, มนั่นช่วยเลิกมอไ่ม่มีความรู้สึกตัวเห็นตามสิ่งตา่างๆตามก็เป็นจริงที่เคยจากการจักใจเนี่ย เป็นลาชาธรรมไม่มีอะไรขวางกั้นได้เห็นูกเห็นตาตามความเป็นจริงเห็นอาการของลูกของหนามตามความเป็นจริงไม่ออกมาเป็นสุกเป็นทุกข์มันหนาวเห็นมันหนาวบันทอตามการควาหนาวไม่เจอเป็นสุกเป็นทุกข์ มันกว็วุธหรเป็นอาการเกิดกับน้ำมันก็มาใช้ตัวใช้ตนไม่่ า, าเป็นตัวเป็นตนมันคิดเอาแวบอกคิดมาเป็นตัวเป็นตน <c oughs> แล้วไหล <c oughs> ถ้าเรามีหลสูตรดีๆถ้าเราไม่มีหลักสูตรเปียนแต่คิดเฉย ก็ทำให้เป็นภพเป็นชาติแต่เป็นสุขเป็นทุกข์ได้ <c oughs> คนรู้ต้องรูแ้แหละมีความทุกข์ <c oughs> ก็ความคิดมีความสุข <c oughs> ก็ความคิดมีความมีปัญหาผู้ความคิดไม่มีอะไรที่ปรับเรื่องนี้ได้ไม่มีอะไรที่ต้องทําให้ดีได้โลกจากกรรมวัฏา คุกตลางก็จับไม่ได้กฎหมายก็โอไม่ได้เปงความคิดของคนนะ่ะต้องมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่ตลดอดเวลาสิงที่ปรับเรื่องนั่นคือสติคือกรรมฐานเห็นเป็นอาการภาษาอะไรคนคิดเชยเช้เปทุนทุกได้ยังไงม้วก็บอ ที่จะเป็นประกาศพิสูจน์ในชีวิตถ้าเห็นความคิดที่มันลักคิดเนี่ยมันก็จะมันก็มันพังเท่าไหร่นั่นเคยยิ่งอย่าง มันเคยยิ่งใหญ่ความคิดน่ยก็เห็นมาจาสานไทยเห็นเหตุเห็นดับสมุทรไทยของมันอย่างชัดเจนน่ยมันงน่ายๆเช่นผมบองภูเขานะความคิดเ่ยเช่นผมบองภูเขาไม่มีเรื่องมีเหล่าอะไรทำไมเอามาเป็นความสุขความทุกข์ทำไมมาเป็นความรักความชาัง ตัดทิ้งใจทำตามความคิดให้ถ้าเราไ ม, ม, ม, ม, ม, ม่สติได้ะมีความรู้สึกตัวมันหักมากมันไม่สังกับสังกับมันมีส่วนอ้างอิงไ่ะเป็นอย่างนั้นโอ้ยก็เช่นไม่ ใครสวัสดิ์กายเวทนาสักว่าเวทนาจิตสวัดสกดิ์ิตธรรมสวักดิ์ธรรมร้อยเบอร์แเป็นครัวเป็นตนไม่ได้เลยเรับนั้นจัจักระว่าลบล่างลบเหมือนที่ภาคสาตุลาการหรือโจดจำบ่อย้องร้องกันลบร่างคดีลบล่างโจด ท, ที่เขาหาข้อมูล ทำมเราเป็นความผิดลบล้างได้ค่อยสุกค่ยสุกพวกความคิดเห็นเป็นจตุวาการมลบล้ลางความสุขความทุกข์ก็เกิดจากควา ม, ามาคิดแข็งแก่งกว่าี่เป็นเรื่องเป็นหาวการท่องล่งงงองลอยพิพากษาตุลาการมันแข็งแก่ง มีความเพียงพอที่จะอ้างเอาอะไรให้เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ได้มันเกิดจากอาการธรรมชาติธรรมดาของลูปของหนาวตามกวาเป็นจริงของเกา่เกาเรากลัวน้ำเหือดปั้นน้ำให้เป็นน้ำแข็งมันไม่จริง เสียเวลากับสุขกับทุกข์ทั้งหลายลักดูสิตอนนี้ถ้ามันเห็นความคิดต่างกันจริงนะอันฉินอันสมาี่อันปัญญามันก็เป็นอยู่แล้วมันก็เข้าสู่ภาวะเชิงดังระเบิดอันฉินรบิดดักษาใจต้นโตมันจมลอยมาได้หนึ่งควคิด โหลงเกิดจากความคิดกาจจำเลยหมายเล็ตตึบการคำพูดคางกระทำของกายของวาจาเป็นจำเลยหมา ย, ายาา เ, เลยยต็ต <c oughs> ไม่รอดเลยไม่รอดเลยถ้าจับจำเลยหมายเล็ตต่งแล้วถ้าจับมันก็จับยาหน้าที่น โรงเรียนบ้านท่าปหกาศแต่โอบต่อที่เขาเรียกว่าโรงค้าสัตว์พอจับคนขายได้มันก็ขยายผลหานะคนเสพคนขายเขากบอกมีใครเสพบ้างที่เธอที่คุณขายอยางเราความเ่งให้เป็นประโยชน์ต่อการสึืส่วน ก็จะได้โบลงมาไม่ต่อสู้คนขายก็ขายายผลว่าคนนั่นก็เสพคนนี้ก็เสจแล้วก็ตามไปเอาคนที่เขาเล่อูนั้นมาตรวจปัจจวัปัจจวะก็มีสีม่วงได้ข้อมูลผิดกู้เสพก็ผิดคุกผู้ขายก็ติดคุกมันขายายผล ถ้าจะให้ผิดเอาผิดจากความทุกข์เอาผิดจากความสุขไม่ใช่ถูกต้องเลยทีเดียวความโกรธไม่ถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความสุกความอะไรไม่ถูกต้องทั้งนั้นไม่ไม่เป็นอะไรเลยนี่คือความถูกต้องมันก็มีาการทุกข์ยึดการเสาะทาษาทางโลก เนี่ยังโจทย์้ามองจํำเลยโต้เยอะจ้ำโย์เขาหาใส่จํำเลยหาอกอนนี้ไม่ใช่ค้องขัดไม่มีคู่กันเยเราเองควงหลงควงลูกควงหลงควงลูกควงทุกควงไม่ทุกควงโกดควง ม, มโกมันบ้ากปเลยสบายนะปฏิบัติทํามเนี่ยมันโบมาพองกัง เราหลงมนาะพบ ก, กันกับความรู้ไม่ใช่เพีคู่นี้คือคนหนึ่งคนใดเพียงว่าเรียกว่าสังฆไทยทุกสังฆไทยรู้มั่งจุ้นในชีวิตของเรานี่อันในกายกุง้งศพเยาวนาคือเนี่ยทำไมเราจะต้องไมา ด, ดแล้วเนะี่ยไม่หาที่จะทำก็ะทำตรงนี้ ทุกข์ก็อยู่ที่เกิดได้เกิดทุกก็อยู่ที่นี่วอนดับทุกข์ก็อยู่ที่ดับทุกข์ไม่เหลือก็อยู่ที่นี่มาพ้อมันแบบเมื่อได้หลับได้ทานได้หลับได้ทานได้สูตรอ่านสูตรไปสูตรมันก็บอกไปพอเห็นลูกเปนน้ำสูตรมันบอกนะลูกมันบอกนามมันบอก ธรรมชาติมันบอกอาการมันบอกที่มันมีเรื่องของเ ร, งราแปดมื่นเจ็ดพนล้านลอยแปดสฉาไปจับได้ได้ทำเป็นสมมุติอย่างไงเป็นบัญญัติอย่างไงมันสุขพธิสมมุติปัญโทพธิสมมุติอย่างไรเป็นละมัติอย่างไร สิ่งเล่นี่ไม่ต้องไปใช้สมองมันโปกไปทางไปนแล้วไปทางไปดูมักมันเป็นทางไปหรือจากการเจริญสติเนี่ยน่าจะไม่น่าจะไม่ไมยุ่งเหยองสับสนได้ได้หลักสูตรดีๆแล้วใ น, นสติประเด็งคาย เห็นกายตามความจริงเห็นเวทนาเห็นสุขเทุกตามความจริงในสูตรนี่มันดีไปได้เลยนะเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมตัวมันธรรมดีรูปมันนดำชั่วเห็นรูปมันเป็นทุกเห็นรูปเป็นสมมติเห็นนามเป็นสมุติเห็นรูปเป็นมันหยัดเห็นนามเป็นมันหยัดเห็นวัตถุอาคารต่าง ตามควาเป็นจริงเราไม่รู้ก็เลยหลงสมมุติเขาเรียกว่าหมากขาโกรธเราไม่ได้เป็นหมาแล้วลสัตว์อะไรแง่เขาโกรธเราไม่ได้เป็นแง่เป็นสัตว์สมมุติมันอยากทำให้คนไม่รู้ออกมาเป็นตัวเป็นตน เรื่ทุกเกิดจากสมมติบัญจัติความสุขเกิดจากสมมติบัญญัติที่เราไม่รู้จักมากมาในรูปกเต็มไปดยสมมุติจริงแบบสมมุติไม่จริงแบบประมรสมมุติที่เป็นลูกประธรสมมุติที่เป็นนามธรรมาสมมุติที่ลูกประธรรมก็มีมาก บัญญัตต่างกันแล้วแต่ใครจะบัญญัตเอารูปแบบไหนของคูของเหมืองอย่างไรแยงกันตรงนี้หิด ก, กันตรงนี้อกหักเสียใจกันด้วยสมมุติบัญญัตสามันมั่นหมายนามสมมุติก็ ก็มีเหมือนกันเอาน้มสมมุติไม่ใช่มีรูปเลยเออจากความคิดที่สมมุติเราอลไรอย่างเหมือนกันนามสมมุติเป็นดงปเลยนะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีนามสมมุตินี่ เจ็บปวดก็มีลูกสมุติก็เสียใจเสียใจน้าสมมุตินี่ก็เกิดขึ้นลูกสมุติเองมือาตศพน้ำสมมุตินีไม่มือ้าติมือศพเกิดตอบเกิดตอบเกิดตอบเกิดเจ็บเจ็บตายเกิดเจ็บเจบตายเหมืเป็นพเป็นชาติหมือดูถ้าเราเห็นเนี่ยดูการพังทหลายของ สนต้างๆธรรมตัางๆไม่ได้ไปทำอะไรบางอย่างถ้าเห็นความเป็นจริงของชีวิตของรูกของนามเห็นวัตถุอาการกตา่างๆมันไปเป็นหมวดเป็นโม่ไปรูไปก่อนไปไกลกว่าได้เห็นทีหลังก็มี เออเห็นลูกเป็นหนาเป็นโคงไม่เที่ยงไม่ไปไกลนะครับเที่อนเห็นค้งไปทุกไปไกลเห็นค้งไม่ใช่ตัวตนไปไกลไปไกลไปไปไกลก่อนที่เราจะไปถึงบางทีเมื่อมันเกิดโคน้งเป็นทุกข์ไมเที่ยงเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้แล้วรู้แล้วมันไม่ควงไปทุกเกิดขึ้นรู้แล้วมีค้งไม่ใช่ตั ว, นวนตวนเกิด ข, ขึ้น ลู่แล้วอ่ะลู่ า, านน้ำไม่ได้ทําไมทําไมทําไมทําไมทําไมไม่มีผู่ที่เห็นลูนกเห็นนามตามความจริงคําว่าทําไมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่มีคําพูดภาษานี่เลยนี่แต่ว่าลู่แล้วลู่แล้วลู่แล้วรู่แล้วมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วมลู่แล้วใช่เลยแล้วนี่คืออ่า พุทธภาวะ <c oughs> ตื่นรู้เนี่ยพุทธจะไมนเรียกว่าพุทธอย่างเงี้ยมันตื่นมันรู้แบบนี้ครับู้แล้วยเนี้ยมันไม่มีภพป็นชาติที่ เ, เป็นสุขเป็นทุกข์อยเงยจึงเรียกว่าพุทธเห็นพระธรรมอย่างนี้เรเห็นหลงพ่อเจ้าพระพธรร ม, มเห็นอาการการที่จะรู้ปัญนามัน เหมือนกันหมดทุกคนให้ตากันเหมือนกันหมดจริงจริงก็เหมือนกันหมดไม่จริงก็เหมือนกันหมดเป็นทุกข์ความไม่จริงเหมือนกันเป็นทุกข์ความจริงเหมือนกันหมดไม่เป็นทุกข์กวามจริงไม่เป็นสุขควาจริงเหมือนกันหมดจึงเป็นอันเดียวกันเดถิด จะไม่เรียกว่าพุทธะได้ไงไม่จบไม่สิ้นตงนี้ได้ไงเราจึงกราบพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนอันที่เป็นชัจจธรรมจะทําให้เป็นเท็มันเป็นไปไม่ได้รวมหลงไม่จริงจริงไหมรวมไม่หลงมันจริงจริงให้มันหลงได้ไง บังคับคงขืนให้มันหลงบังคับคงขืนให้มันสุกมนทุกขได้ยังไงบังคับคงขืนให้มันไม่ถูกต้องจะได้อย่างไงเรา <c oughs> จึงโอ้เขารู้พระธรรมเจ้าท่านพระองค์เขารูพระธรรมเป็นมาแล้วกาลังเป็นอยู่ด้วยและจะเป็นไปข้างหน้าด้วย ใจมันหงุใจอันเดียวใครจะมีเลยก็มีไปขอมีสติดูแลกายใจไม่ให้มีทุกข์ไม่ทุกว่าให้เบียดเบียนตัวเองไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นในใจพยายามที่บอกคนอื่นไม่้เขาเบียดเบียนเขาไม่้เขาไปเบียดเบียนคนอื่นเชิงอื่นวัตถุอื่นก็ เป็นความชอบที่สุดอะนะไหนจึงได้บอกก็ป่ะเวลามันหลงไม่หลงความไม่หลงมันจริงยังมีความทุกข์อยู่ว่ไม่ทุกข์ว่ไม่ทุกข์มันจริงความความทุกข์ไม่อยู่นะบางกนก็น้ำตาหลอเบาหน้าเบาตามาเป็นทุกข์ในท่างที่มันไม่มีอะไร เป็นทุกข์ความคิดน้อยเนื้อตาใจทำอะไรความดีจะแย่ไม่ได้รับผลความดีสังผลจากความดีทำลงไปเป็นทุกข์ความดีเวิ้ดีทั้งความขวัตถุหวังให้วัตถุเป็นตบแทนเวิ้ดีทั้งกับคนหวังให้คนตบแทนความดีทังลงไปกับสิ่งต่างๆจริงต่างๆไม่ความตอบแทน เสีย อ, อกเสียจาจได้ปดาธถนาอาศัยอนุนันนี้เองหวังพึ่งอนุนันนี้ให้ได้ดังบ้านหลนี้มันไม่ใช่ถ้าจะบอกว่าไม่มีปาถานใดในโลกนี้นีน่จะทำโอทานนันร้องปาถานหยุดกับเอาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแล้วทต่เป็นตาผู้สมมุดหวังหยาด เป็นกิจอาการอะไปก็มีแต่ว่าจะให้ปรารถนาะสุดกสุดใจไม่มีละสิ้นสุดการปรนะารถนาของเราธรรมะอะไรมันก็อยู่กับเราเนี่ยแส่ใสอะไรไอ้อ้นวนบอลเจี๊ยงไหนแถวนี้คนเราเป็นทุกข์ความดีมีมากเป็นทุกข์ความชั่วแทบจะไม่มีหละเราไม่เห็นความชั่ว เนทุกพมดีเด็ดอาจจะมากกว่าเป็นทุกข์พรมชั่วในคนที่ทำความชั่วเขาก็สนุกสนานวันทำความดีเนี่ทุกมาก็เลยขับขันแล้วว่า คนจนมั Born, ่งมีเศรษฐีลงให้จะมาทุกวันเนี่ยคนจนมั่งมีเศรษฐีลงให้เดี๋วนี้เราก็เสียตายของที่มันเสียไปเอยู่เดี๋นี้เสียยางไม่มีนะเอาละขโมยไปหมดแล้วใน้ฟันเราตัอย่างเขียวๆที่ถึงไว้ยาวๆอย่างนี้หายหมดแล้วนะเร ของติ้งอยู่ลองย่องนะ่ะไอ้ของดีมันเหลือไหมวัดปู่โทองนะ่ะแล้วก็ต่อสายยางตามครบไว้ใช่ห้าหกจุดไม่เหลือสเส้นเลยเอาไปให้คนใช้ในข้างนอกวัดน้ำตื่นสำหรับคนมา รถมาเขียนน้าต้องมีสายยางมาทีรถมันสูงก๊อกน้ามันต่ับต้องใช้สายยาง่อไปแล้วก็หายหมดไปประตูสร ะ, ะงัดหน้าต่างพังไปหมดแต่เราวูวกขโมยเขาไม่อาชี่ได้โน่นได้นี่ว่าจะได้โน่นได้นี่เขาม่ความสุขนเคนือนนั้นเขาไม่ได้ทุกร้อนอะ่ะ เพราะขอไม่รู้ของเ่อเขาจะกล้าเปลีป่ยนคนอื่นเขาไปเอาธรรมะมามไม่คิดอย่างนั้นได้เห็นอะไรก็ช่วยรักษาเพื่อนมิตรผู้ประมบาตคนไม่ทำนะเข า, าปฏนะิธรรมรักษาทรัพย์สบัติของมิตรผู้ประบาตรรักษาชีวิตของมิตรผู้ประมาต ก็จิ้นเหล้าชวนเพื่อนเท้าโซบุริชวนเพื่อนแล้วไปที่ชวนไปเที่ยวชวนเพื่อนกับบ้านรักษาเม็ดผู้ประมาทจะให้เป็นไปยามเขาเป็นไปไม่ได้จะให้ไปจิ้นเหล้าของเขาไม่มาจีนไม่ได้มี่ําบอกเขาทมันมันก็ต่างกันแบบไหนแต่คนหนึ่งก็มองแล้วว่า้าตัวเมียเล่าจึ้นไม่เป็นออะไรก็จิ้นไม่เป็น เนี่ยก็เนี่ยแต่ว่าอะไรที่มันถูกมนต้องเนี่ยเราก็เลือกได้จากแม่เรียกอคาค์ไม่เปลี่ยนตัวเองเรียกองค์ไม่เปลี่ยนคนอย่างจริงอย่างั่นคงเลยในโลกนี้ก็มีไม่ ม, มหาห้อปส่วนช่วยกันนะช่วยกันเถอพวกเรามันก็อย่างนี้แหละมันต้องประกาศ เราโฆษณาเหมือนกับบริษัทไม่ต้องว่าจะทำให้ดูดุ่้เห็นเป็นมิตรกับทุกคนตั้งตนพอดีวาจีก็พอฟังได้สขขงฆ์ก็พอประมาณตามความสำนาถของเราอย่าทอดแตที่ยงกัน จะเปลี่ยกนกานตอนหนงก็ดูแลก้อนแก่มากลองตาเนี่ยซึ่งใจกับคนวัดป่าทุกตุกคอยช่วยวนแม่ลองก็จะตายลองตาจาไปที่นี่เขาอยู่คนได้แต่ตายไปแล้วตายไปลงหนูแล้วสองปียังแน่นแพ้นยังมั่นคงเพ่งพาเสียตา้ ทั้งพระทั้งสลวงทั้งญาตทั้งโยมมันก็เป็นสิ่งเว้นน้อมทำให้เราเลยเห็นอกเห็นใจได้เพราะนั่นเราจึงการพยายามนิดนี่เรากันถึงมัดถึงผลได้ใน พ, าาพระรูปตังเงาะเจาะตรรินจะไปอยู่ ประเสรประยุกตระองคเป็นมาขอคนามแนะนำจากเราก็เลยกว่าถ้าไปมีเมียนะเมียอย่้เป็นเมียนะหนึ่งเป็นเมียเป็นผัวธรรมดาสองเป็นเพื่อนผัวเมียเป็นเพื่อนกันสามผัวเมียเป็นน้องชายน้องสาวผัวเป็นน้องชายเป็นพี่ชาย สามสอเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ไปเลยต้งอย่ด้วยกันโดยควากันเหลื่มิตรแต่เป็นผัวเมียกันเนี่ยมันเป็นมันขาดแน่พาไปในโลกถ้าเป็นผัวเป็นเมียเป็นน้องสาวเป็นน้องชายเป็นพีชายเป็นพี่สาวเป็นเพื่อนเป็นโค เออเนี่ยมั่นกงวะเราเขียนใส่หนังสือเอาจไปปฏิบัติอันนี้กัรเม่องมิดเนี่ย อ, อ่าพากักนไถึงมถึงผนนะเออพวกลอยต่อเอาเป็นเฉลยให้เป็นให้เต็มให้มีน้ำใจ อ, อ่มีอะไรก็บอกกันช่วยกันเห็นคนอ่าเศร้หมองเป็นอะไร ให้เขาไะเอการไปปรึกษ า, าเลยกันรัเป็นเพื่อนหรือความคิดให้ความคิดเห็นนี้มันสนุกันช่วยคนที่มีทุกป้ไปเป็นทุกแต่หนูสนุกันงานชอบที่สุดหลยบช่วยเตดก็ยิ่งดีอยี้ถ้มีความโกรธอยู่น่นแหละวความหลงเงินแหละถ้ามความทุกข์นะไรจะช่วยตัวเรายกขนส่งขึ้นมาเนี่ย ในความสุขนะปฏิทธรรมนะเราจะงด้สุขพวกการงานการงานชอกเพราะใความสุขงานเขาเรากชอบบางคนต่างตอนนา้ที่ไม่บีบแบงขายอยู่แต่เออคำอบก็จะใบที่พึ่งมีที่พึ่ง ก็จะไปบ้านท้าวไว่าสองวันนี่เขาแย่ง่วงบอยยาให้หวกพกลับมาให้วพอกลับมาอยู่นี่แลวก็ไปอย่างนี้เรวมาต่าไปก็ไปไปตาไปปวนในชาวบ้านไปปวดในครใไปเปิดหน้านดูเปิดหน้านดูกขบอกว่าหน้าเ น, นี่ย แสดงว่าน้ำไหลทิ่งน้ครึ่งต่อครึ่งถ้าเปิดน้ำระดับนี้น้ำ ม, มันไหลออกจากกกเท่านี้แสดงว่าน้ำไหลทิ้งไปส่วนหนึ่งให้คุณไปดูสิถ้เลยหาคนไปยสองคนเอก็ไปดูสิมันมีก๊กอยู่ที่ไหนน้ำตัอยู่ที่ไหน ไปดูได้ได้เรียนไปทษอแตกอ่าเนาะก่กอหลุดสามที่หลวงพ่ อ, อนรนบแล้วพบคนอย่ไงไรแล้วไม่ไม่ดูทำไมไม่รู้ถ้าสังเกตแลหัดดูจะรู้นะใช่น้ำก็รู้ใช่ไฟก็รู้ถ้ารู้จดัดสังเกตแลหัดของสิ่งต่าง มักจะรู้เปิด น, น้าดูก็รู้ว่าน้าไหลทิ้งเท่าไหร่โลกโลก็รอดไปเพื่อนแทนที่สมมติจะสูบน้าเต็มถังมันก็ไม่เต็มนัดทีเขามันไหลทิ้งไปแล้วก็ไม่ได้ทักผ่อนมันก็จินพลังงานทั้งในโลกโรดเป็นผลกระทบกย่อยไปอีกมากมาย ถ้าเราช่วยกันดูว่าเจ้รู้จักใช้อะไรก็รู้จักใช้วัตถุภายนอกรู้จั ก, ใ ช, ก, จกใช้ชีวิตก็รู้จักแม้ความหลงความทุกข์จะให้มีจักนีดเด้เดียวไม่ยอมเด็ดขาดโอ้เป็นสิทธิ์หลักจากเจ้านี่ะถ้ามีเราขยันสะดวกเพราะคงทุกข์สะดวกเพระควาโกรธสะดวกเพวามหลงทำามีชีวิตเหลือสะดวก เห็นคุณค่าชีวิตสะดวกเพราะชิโนโนี้จึงของแ ค, ค่ข่าวจะให้ <c oughs> ทุกคนโทษไม่ให้เปลี่ยนเียนตัว น, นี้และคนอื่นเด็ขดขาดในชีวิตเนี้ยอ๋อวันนี้ขอสงสารเวลากราบพระพ่อ่ะ <c oughs>